เมื่อวานไปส่วนสันติธรรมเป็นเท้าภาพในส่วนศพแม่คุณดังตรินดังตรินเป็นกรรมการกรรมการวัดเป็นลูกที่ดีนะนตัวอย่างลูกที่ดีคนนึงแม่แม่สบายอยู่สองเดือนกว่าก้าตลอดก็แบบซอฟต์มากเลยนะนุ่มนวลแ้วพบประงม เวลาแม่เผลอๆขาดสติไปใจลอยๆนะเรียกแม่ครับแม่ครับนะเรียกน่ารักน่ารักคนมีธรรมะในใจนะนุ่มนวล น, นุ่มนวลรู้หน้าที่งานเยอะนะตรกติเขียนหนังสือสารพัดนะอันนี้ทิ้งงานมาเข้าแม่ไว้ทำแเรามีหนังสือส่งเขาแล้วต้นฉบับเขียนตุนไว้ละ ของจะไปสุขติพวกเราเวลาคนที่เรารักจะตายนะอย่าคลั่มคลวนอย่าร้องห่มร้องไห้อย่าไปโวดครวญอย่าไปจับเขาเขย่าอะไรเงี้ยคนเจ็บหนักๆจิตตกจิตเสียจิตเดี๋ยวจะไปทุคติเดี๋ยวจะตกนรกนะนะตกนรกแล้วลูกรัก ลูกรักมากก็โอดครวญโอ้ยอย่าตายนะอะไรเงี้ยเขาไม่อยากตายให้มันก็เป็นเปรดเลยหรือเสียใจว่าจะต้องจากลูกที่รักไปละลูกก็เสียใจบรรยากาศเศร้าโศกลงนรกเลยนั่นพวกเราระมัดระวังศึกษาธรรมะนะศึกษาช่วยตัวเองได้แล้ววันหนึ่งก็ช่วยคนที่เรารักได้ด้วยเวลาเขาจะตายจะดูแลยังไง จานทาร์ไพศาลวิสาโลมีคอสใช่ไหมมีคอสเตรียมตายเข้าท่านะแต่ว่าไม่ว่าจะคอสอะไรดีพิเศษอะไรนะสุดท้าย ห, หนีไม่พ้นการเจริญสติถ้ามีสติสักอย่างเดียวนะคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายเขาจะเกิดขึ้นของเขาเองเกิดเองเนะี่ยพอมีสตินะมันก็มีหิริอุตปปะกิเลสเกิดขึ้นในใจนะ ก็ละอายใจที่จะทําชั่วแล้วก็ไม่กล้าทําชั่วเพ้ากลัวผลของกรรมเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมทําไมเชื่อเพราะว่าเห็นจริงๆขนาดพวกเราภาวนานิดๆหน่อยๆสังเกตไหมอย่างว่าช่วงไหนจิตของเราไม่ดีไปทําชั่วมาไม่ดีจิตมันเศร้าหมองมันขุ่นมัวไปอีกระยะหนึ่งไม่ใช่ว่า ไปสตไปตีกับคนมานะแล้วมารู้สึกตัวโทสะดับปั๊บจิตเจอดีปั๊บไม่ใช่วิบากมันยังมีคราบโสกปลกมอมแมมยังติดค้างอยู่ในจิตหรืออย่างคนเราไปคาราวาเียภาวนาถึงเวลาไปเสพกามเอาไปเสพกามเนี่ยจิตจะขุนมัวเศร้าหมองไปอีกสองสวั น, นอันนี้เสพกับ ภรรยาหรือสามีตัวเองนะเสพกับภรรยาและสามีคนอื่นเนี่ยก็คุณมัวไปนานแสนนานไปเนี่ยกฎของกรรมมันมีจริงๆกระทั่งว่าไม่ได้ผิดศีลธรรมนะแต่ว่าไม่ได้ประพฤติพรอม จ, รรนะจันทร์จิตยังมองได้เลยเมื่อพูดอย่างนี้ไม่ได้ชวนว่าทุกคนต้องประพฤติพรมจันท ร, ร์นะเดี๋ยวสามีทิ้งแนละ้วยมาโทษหลวงพ่อไม่ได้นะ แต่ว่าต้องยอมรับสบภาพอ่ะไม่ว่าไปทำกรรมใดๆไว้ถ้าทำอ ก, กุศลไว้จิตจะต้องมองไปช่วงหนึ่งทำอ ก, กุศลเบาๆก็มองสั้นหน่อยทำอ ก, กุศลรุนแรงก็มองอย่างรุนแรงยืดเยื้อยาวนา น, นคนติดไปเป็นตราบาปไปยืดเยื้อยาวนานข้ามพข้ามชาติไปแล้วแต่เรื่องที่รุนแรงฉนั้นให้เรามีสติไว้เราจะเกรงกลัวบาปเพาเราเห็นจริงๆ ว่าเมื่ อ, อไหรจิตของเราไม่ดีไปทําเรื่องไม่ดีมาจิตมันจะหมองจิตจะมีความทุกข์ขึ้นมานี่เห็นกฎแห่งกรรมนะเริ่มเห็นเล็กๆน้อยๆก่อนค่อยฝึกค่อยรู้ค่อยดูไปนะเกิดได้หูทิพย์ได้ตาทิพย์ได้อะไรขึ้นมาหูทิพย์ตาทิพย์อะไรเนี่ยไม่ใช่บิปัสนาไม่ใช่ผลของบิปัสนาเป็นผลของสมาธิเป็นผลสมถะบางคนทําสมถะเราก็ได้บางคนถึงทําสมถะก็ไม่ได้ เอาแน่ไม่ได้เ น, นี่ยเพราะพวกอภิญญาทั้งหลายไม่ใช่ฝึกชาติเดียวก็ฝึกสะสมกันมามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าก่อนแล้วก็ทำบุญทำทานทาความดีงามทั้งหลายนะเป็นกำลังสนับสนุนความปรารถนาให้สำเร็จเสร็จแล้วก็ต้องมาฝึกฝึกสมาธิชนิดฝึกกสินฝึกผิดชนิดก็ไม่เกิดอีก การสินที่จะใช้ก็ต้องเลือกชนิดที่ถูกต้องด้วยถึงจะรู้ได้เพั้นอภิญญาก็เลยเกิดยากนี่ถ้าคนไหนได้แล้วมันจะไม่สงสัยไม่สงสัยในสังสารวัตรนี้มองทะลุสังสารวัตไปนะร้อปีพันปีห0 0 0นปีแ 0,000 ปีล้านปีระลึกไป1กับ2กับ7กับ31กับแล้วแต่จะระลึกได้ ะึไปแล้วเลยรู้เลยต่างสารวันนี้น่ากลัวคนทั้งหลายนะเวียนตายเวียนเกิดขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาเลยไม่มีสุขท้าววอนเจริญทาววอนไม่มีหลายคนเป็นเจ้าเป็นนายเป็นพระจักรพรรดิราช ก, กลับมาเป็นชาวไล่ชาวนาเป็นคนยากคนจนเลยก็มีนะวนเวียน จะเห็นเลสังสารวัตรน่ากลัวความน่ากลัวของสารวัตรสังสารวัตก็คือมันปกปิดตัวเองได้อย่างเราทํากรรมชั่วมาถ้าเราไปตกนรกตอนที่ตกนรกนะเราจะ ค, คล่ําครวเลยว่าทีหลังไม่ทําอีกแล้วแต่พอมีกําลังพอดีขึ้นมานะีก็ทําอีกถ้าทำอีกเนะนี่ยความน่ากลัวของมันอยู่ตรงที่เราลืมไปนี่ภาวนาบางคนภาวนาะระลึกได้ก็เห็นโอ่น่ากลัวจริงๆ เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะระลึกได้ระลึกชาติได้ในยามที่หนึ่งปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกไปท่านพยายามไปดูว่าต้นกำเนิดของจิตวิญญาณนี่มันมาจากไหนไล่ไล่ถล่ล่วนไปจะได้ไปแก้ต้นทางเหมือนไล่ไล่ไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หาไม่เจอพบว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ท่านก็สังเกตคนอื่น ดูซิของเราเองเราดูเวียนตายเวียนเกิดคนอื่นก็เวียนตายเวียนเกิดยังไงนี่เรียกว่าจู่ๆประปารยานดูของคนอื่นเห็นคนนั้นตายไปตรงนี้ตรงนี้ตายไปนั้นนี่มันเวียนไปตามกฎของกรรมนะแต่จุดตั้งต้นอยู่ที่ไหนไม่รู้จุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อีกใช่แล้วท่านถึงย้อนกลับมารู้กายรู้ใจตัวเองเนี่อัศจรรย์มากนะค้นภายนอกจนสุดฤทธิสุดเดดแล้วค้นอดีต คนอนาคตค้นอะไรไปหมดแล้วกลับมารู้ลงปัจจุบันในกายในใจนี้เลยเห็นเลยความทุกข์ในกายเกิดขึ้นยังไงความทุกข์ในจิตใจเกิดขึ้นได้ไงไเห็นถ้าใจเกิดความดิ้นรนขึ้นมาใจก็มีความทุกข์จิตใจไม่ดิ้นรนไม่มีตัณหาจิตใจก็ไม่ทุกข์ตัณหามาจากไหนไล่ๆล่ไล่ไล่ปนะตัณหามาจากอาวิชา รักเง่าของมันความไม่รู้ น, นั่นเองไม่รู้กายไม่รู้ใจว่าเป็นทุกข์ล้วนๆคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษเป็นตัวเราที่น่ารักน่าหวงแหนพอรักกายรักใจมันก็เกิดความอยากให้กายให้ใจมีความสุขเกิดความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เมื่อเกิดตัณหาหรือความอยากก็เกิดการสร้างภพคือการทํางานในใจนั่นจิตใจจะทํางานหมุนติ้วติ้วติ้ ว, วอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะ ภาวนากับหลวงพ่อช่วงหนึ่งก็จะเริ่มเห็นแล้วจิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดเลยเนี่ยสังสางราวัตรวนอยู่ที่นี่เองสังสางราวัตไม่ต้องไปไกลสังสางราวัตภายในในขณะจิตต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะน่ากลัวนะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันไม่รู้จะไปที่ไหนนะไม่รู้มาอย่างไงมีแต่คําว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะดูลงไปเรื่อยเลยนะโอ้วันหนึ่งจิตใจหมดความดิ้นรนปรุงแต่งนะสังสางราวัตรพบชาติตัวนี้ขาดสะบั้นลงตรงนี้เลย พบก็คือการทำงานของใจใจมันหมุนติ้วติ้วติวตวไปหมุนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมุนอยู่ในชาติปัจจุบันนี้เป็นพบย่อยๆเรียกพบน้อยเวลาร่างกายนี้แตกสลายเนี่ยหมุนไปสู่พบปุ่มอื่นเป็นพบใหญ่เรียกพบน้อยพบใหญ่เวียนอยู่อย่างเงี้ยหาที่สุดไม่ได้เห็นแต่ทุกคราวที่เกิดมมีแต่ทุกล่ำไปเห็นซ้ำซ้ำๆๆ้ ทำไงจะพ้นจากภพดิ้นรนยังไงก็ไม่พ้นจากภพเพราะว่าการดิ้นรนนั่นแหละคือการสร้างภพการดิ้นรนทั้งหลายนั่นแหละคือตัวภพแต่เมื่อใดปัญญาแก่รอบนะรู้ลงในกายรู้ลงในใจแจ่มแจ้งเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆความอยากอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็หายไปดับสนิทเมื่อความอยากดับสนิทนะั้นภพในใจก็จะขาดลงขาดสะบั้นต่อหน้าต่อตาเลย เมื่อนั้นตันหาดับเมื่อไหร่นะพบคือความปรุงแต่งการทํางานในใจก็ดับเมื่อนั้นนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งก็ปรากฏขึ้นเมื่อนั้นเลยปรากฏขึ้นประจักษ์แก่ใจของเรานี่เองท่านถึงบอกว่าเมื่อไหร่ละสมุทัยได้นิโรธก็แจ้งขึ้นในฉับพลนั้นจะเห็นนิพพานขึ้นในฉับพลันนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งนิพพานมีอยู่นะไม่ใช่นิพพานว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนิพพานมีนิพพาน นิพพานมีนิพพานมีความไม่ทุกข์มีความไม่ปรุงแต่งมีความไม่มีกิเลสมีความสงบสงับเป็นสุขนิพพานมีคุณสมบัติทั้งเยอะนะมีความสุขด้วยไม่ใช่ว่างเปล่าแห้งแล้งหลายคนทําสมาธินะแล้วนึกว่าเข้าสมาบัติจิตรวมรูปหมดความรู้สึกตัวแล้วบอกว่านิพพานนั่นไม่ใช่นิพพานนะภาวนาจนเหลือแต่ร่างกายไม่มีจิตเรียกว่าปลุมลูกฟัก ในขณะที่จิตสัมผัสนิพานเนี่ยมีจิตเพราะนิพานเป็นอารมณ์เป็นธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่รู้ด้วยใจเพราะฉนั้นในขณะที่จิตประจักษ์กับนิพานเนี่ยมีจิตที่ไปรู้นิพานเรียกว่ามัคคจิตบ้างเรียกว่าผลจิตบ้างในขณะบรรลุอริยมรรคอริยผลนะเกิดอริยมรรคหนึ่งขณะอริยผลสองสามขณะทุกขั้นทุกตอนทั้งสขั้นตั้งแต่โสดาสกิทาคานาคาพระรหันต นันจะเห็นนิพพานไม่มากจะเห็นนิพพานในขณะเกิดอริยมรรครวมแล้วสครั้งเท่านึงสี่นะขณะจิตนะส่วนอริยผลเนี่ยถ้าเกิดมากก็ได้12ขณะจิตครั้งละสาสบางคนเกิดน้อยก็สองสองสองได้8ปฉนั้นจิตใจจะเห็นนิพพานนิดเดียวนะแต่พระอริยะเจ้าทั้งหลายมาเห็นนิพพานภายหลังด้วยการทบทวนถึงนิพพาน เรียกว่าพระสมาบัติการเข้าสมาบัติเข้าผลมันจะเกิดพลจิตจำนวนนับไม่ถ้วนตางนีน้เกิดนับไม่ถ้วนต่อยู่กับ น, นิพพานทรงอยู่กับ น, นิพพานอย่างนั้นเวลาที่จิตทรงอยู่กับ น, นิพพานใจจะทรงอยู่ในปฐมฌานขึ้นไปฌานที่หนึ่งขึ้นไปมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตไม่ใช่นั่งหมดความรู้สึกถ้าอย่างนั้นนิพพานเป็นยาสลบทพานไม่ใช่ยาสลบนะ น่พพานไม่ได้กระจอกขนาดนะั้นมีจิตที่ไปรูน้นิพพานมีใจถ้าเรียกให้ถูกศัพท์นะมีใจที่รูน้นิพพานมีแต่ความสุขล้วนๆอยู่อย่างนั้นเองทรงอยู่เทนะ่าที่กําลังของสมาธิหนุนหลังอยู่เวลาจะเข้าเวลาจะออกนะอยู่ที่ความชํานาญถ้าไม่ชํานาญในพระสมบัติเวลาจะเข้าพระสมบัติก็ต้องมารู้กายรู้ใจก่อน กลับมาดูกายดูใจเอาใจวางจิตวางกายวางใจก็จะไปเห็นนิพพานมีวิธีที่หนึ่งอย่างพระอราหันต์ทั้งหลายเวลานึกถึงนิพพาน น, นึกถึงปุ๊บถึงปั๊บเลยอยู่ต่อหน้าต่อหนานะไม่หายไปให้จิตทรงอยู่อย่างนั้นท่าไหลก็ได้นี่ยธรรมะในศาสนาพุทธลึกลึกซึ้งมากเลยนะเราค่อยๆฟังค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาไปเริ่มแต่มีสติ รู้กายรู้ใจมีสติสติขึ้นมาก็มีฮิริโอตัปปะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตตนะ์เกิดวิมุตต์วิมุตต์ก็คือใจมันหลุดพ้นจากความยึดถือในกายในใจนี่มันอัศจรรย์มากนะพวกเราไม่เคยเห็นว่าจิตเราไปยึดจิตอยู่หรือจิตไปยึดกายอยู่ไม่เคยเห็นแต่เมื่อภาวนาไปช่วงหนึ่งเราถึงจะเห็นว่ามันยึดจริงๆนะเราเห็นว่ามันยึดแล้วไม่ใช่ว่ามันจะปล่อย ต้องเรียนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่งั้นจนใจมันแจ้งทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราขนาดแจ้งว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราก็ยังไม่ยึดยังไม่ไม่เลิกยึดนะยังยึดอยู่อีกคล้ายๆยืมสมบัติของโลกมาใช้แต่ไม่คืนเจ้าของงกคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวดีตัววิเศษไม่คืนก็ ร, รู้กายรู้ใจต่อไปอีกจนล่าวิชาได้เห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ทุกลวนล้วน นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้นะถึงจะวางเขาวางของเขาเองเนะขาวางเขาสลัดออกไปได้เองแปลกเหมือนเราถือของอยู่นะัถือของอยู่นะมันชิ้งของมันเองนะนทแต่ถ้าเราจงใจอย่างเราไปยึดถือกายยึดถือจิตอยู่เราเห็นว่าเวลาเรายึดถืออยู่นะหาทางสลัดจะไม่หลุดสลัดยังไงก็ไม่หลุดนะนี่ความประหลาดของมัน แต่เมื่อรู้ความจริงว่ากายกับใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ต้องพยายามสลัดเลยเขาจะทิ้งของเขาเองเพราะเขารู้แล้วนี่ก้อนทุกข์เหมือนเราไปถือเอาไส้เดือนกิ้งกือมาอยู่ในมือเงี้ยทีแรกไม่รู้ว่าอะไรนึกว่าไส้เดือนกิ้งกือนี่เป็นของดีของวิเศษเพอหันมาดูแจ่มแจ้งเอ้ยมันไส้เดือนหรืองูสมมติ ง, งูเขียวก็ได้ถ้า ง, งูเห่าคงตายซะแล้วล ง, งูเขียวก็เห็นงูก็ไม่เอาใช่ไหมหลายคนกลัวจิ้งจกกลัวทุกแกถือว่าเอ้ตัวอะไรน่ารักดี <c oughs> แบกมาเอ้ยจิ้งจกลมใส่เลยก็มีนะหรือบางคนกลัวแมงสาบมีใครกลัวแมงสาบไหมสังเกตไ้ยแมงสาบแมงสาบเนี่ยจะมีพรสวรรค์อยู่อย่างหนึ่งคนไหนกลัวน่จะเจอบ่อย <c oughs> รู้สึกไหม แล้วสังเกตไม้มเวลาวิ่งหนีมันนะมันจะวิ่งตามนะเวลาจะกระโดดหลบนะมันจะมาให้เหยียบเนะีนะ่ยไม่รู้เป็นอัศจรรย์อะไรของแมงสาบนะถ้าใครกลัวเจอบ่อยนะยิ่งกระโดดหลบนะมันยิ่งวิ่งมาพันแข้งพันขาแล้วส่วนมากไปเหยียบมันนะมีบุพกรรมร่วมกันมนะั <c> ้ย <oughs> นี่ยพอรู้แล้วแบมือมาเจอแมงสาบไม่เอาทิ้งทิ้งเอง ทิ้งของมันเองนั้นที่เรารู้ลงไปรู้ลงในกายรู้ลงในใจรู้ไปบ่อยๆจนเห็นความจริงว่าไม่ใช่ของดีของพิเศษนะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจไม่มีทางที่สองแล้วที่จะเข้าถึงนิพพานหรือความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นี่เป็นทางสายเดียวนี่เป็นทางสายเอกนี่เป็นทางสายเดียวไม่มีทางที่สองเลย ทางสายเอกทางสายเดียวคือรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยๆรู้จนวันหนึ่งเห็นเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นทุกข์ล้วนๆพอเห็นอย่างนี้จะปล่อยวางไม่มีทางที่สองนะเรียกว่าเอกกายนามัตตทางสายเอกทางสายเดียวคือทางสายเอกทางสายเดียวรู้กายรู้ใจจงแจ้งอริยสัจสุดท้ายเราจะแจมแจ้งในอริยสัจ รู้ว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆสมุทัยก็เป็นอันทุกขะอัตโนมัตินิโรธที่อนิพพานปรากฏอัตโนมัตินะการรู้กายรู้ใจเนืองๆเรียกว่าการเจริญมักนะรู้ไปเรื่อยๆงันะ้นไม่มีอะไรมากนะมีเท่านี้พูดทุกวันหัวใจของธรรมะมีเท่านี้เองนอกนั้นก็เป็นเนื้อ ง, งอกแล้วนะอกมากบ้างน้อยบ้างแต่บางคนเรียนแก่นแท้ของธรรมะยังไม่ได้ มันก็ต้องมีเปลือกมาหุ้มไว้ก่อนมีเปลือกเป็นตามลําดับลําดับไปคนดูเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจนะก็มารู้กายไปก่อนรู้กายก็ยังทําไม่ได้ก็มาทําสมถะทําใจให้สบายให้ใจสงบก่อนสมถะก็ยังทําไม่ได้ก็ทําคุณงามความดีเช่นทําทานถือศีลต่รอวันหนึ่ง อินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาทำทานรักษาศีลไปเรื่อยๆนะพยายามฟังธรรมทำทานถือศีลอย่างเดียวไม่พอต้องพยายามฟังธรรมการที่เราได้ฟังธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ ำ, ซำอีกนะทานพระพุทธเจ้าหลายๆองค์ใจมันดื้อนะฟังพระพุทธเจ้าองค์เดียวแล้วปิ๊งเนี่ยในประวัติศาสตร์รู้สึกมีองค์เดียวที่ฝั่งไปเจอสมัยพระพุทธกัสสะ ภาวนามานะมาจบในพระพุทธเจ้าองค์นี้สององค์ใช่หมสององค์นี่นอาศัยทำทานถือศีลนะทำความสงบจิตใจที่ทิ้งไม่ได้คือฟังธรรมอาศัยการฟังฟังซ้ำแล้วซ้าอีกนะด้วยจิตใจที่สงบด้วยจิตใจที่เบิกบานร่าเริงฟังมากข้ามากข้า ว, วันหนึ่งมันปิ๊งขึ้นมาปิ๊งขึ้นมาเลยรู้อิจิตปฏิบัติ พอรู้วิธีปฏิบัติแล้วไม่เนิ่นนานเท่าไหร่นะประมาณ3 1มกับหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เนิ่นานานมากนะพอรู้แล้วสั้นนิดเดียวนะเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาเป็นอาสงไขาอาสงไขกับอสงไขหนึ่งเนี่ยสยกกำลัง150แต่ละคนเกิดมานักหนาสาหัสนะเนิ่นนานา น, นิดเดียว บางคนถ้าตั้งใจจริงๆนะแล้วมีคุณงามความดีพร้อมมีทานมีศีลมีใจที่สงบตั้งมั่นแล้วมีสติรู้กายรู้ใจนะหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งบอกหลวงพ่อหลวงพ่อองค์นี้ญาทณทัศน์กว้างขวางพิลึกพ่ลั่งเลยบอกหลวงพ่อหลวงพ่อคนที่ไม่เคยภาวนาเลยนะแต่มีศีลมีศรัทธามีอะไรที่พร้อมอย่างนี้แล้วเขาลงมือปฏิบัติตามรู้กายรู้ใจเนี่ย ใช้เวลามากไหมกว่าจะเข้าถึงมรรคผลแล้นะว่าโอ้ยไม่นานหรอกพโมดไม่นานหรอกไม่เกินเจ็ดชาตนะิประมาณเจ็ดชาตนะิไม่นานนะเพราะฉะนั้นคนทั่วๆไปไม่นานนะคนที่มีปณิธานอะไรก็จะนานกว่านั้นนะนั้นหักภาวนานะคอยรูกายคอยรู้ใจเริ่มเส้อตั้งแต่วันนี้ให้มันเป็นนิสัย ถ้าไม่เริ่มชดตั้งแต่วันนี้วันที่ไปเจอพระสีอานก็จะทำไม่ได้อีกเริ่มชดตั้งแต่วันนี้คนไหนอินรีแก่กล้าก็บรรลุมรกผลในชีวิตนี้ถ้าแก่กล้ามากก็เข้าถึงนิพพานในชีวิตนี้มีความเป็นไปได้ถ้าตั้งใจจริงถ้าตั้งใจจริงแล้วก็ทำถูกนะตั้งใจจริงแล้วทำผิดไม่บรรลุอะไรหรอกี่ตะเวเปิดเปิง ไ, ปไกลเลยต้องเรียนต้องฟังถึงต้องฟังให้รู้เรื่อง ค่อยฝึกแล้ววันหนึ่งก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มีแต่ความสุขล้นๆเลย8โมงละเชิญไปทานข้าว